ค่าแต่ฉัน 5 เมษายน 2533 เป็นวันบันทึกแต่ก็ถึงแม้ ว่าอย่างนี้เรื่องที่เขียนไว้ข้าง นั่นก็คือว่าเมื่อสมัยที่กําลังครบ <c oughs> ถ้าพูดกันถึงว่าสมัยเป็นเด็กแล้วก็สู้ๆกันไปยืนฟัง ท่านเทศน์ในงานเผาศพของ <c oughs> สักกะบางองค์ก็นึกว่าท่านเป็นเพื่อนบางทีก็ไปคุยกับที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ หลวงพ่อปานก็มอบให้หลวงพ่อและเกสโรเป็นอาจารย์ควบคุมแต่ท่านสุมพลเย็น เวลาหลังจากฉันเพลแล้วหลวงพ่อปานก็ลงรับแขกตอนกลางตอนเช้าท่านฉันข้าวเสร็จธรรม <c oughs> เรือเมแล้วก็ก็ต้องมาเรือในเวลาที่ท่านรับแขกอยู่ได้รับคนไข้อยู่คนไข้ของท่าน ก็ คน, 20 คนก็มีแต่ตามก็สิปลายนี่ไม่มีท่านให้ชักทินทร์ได้ชักทินทร์ได้นอนมา ก็บารอรมรงค์ท่านบอกว่าทุกคนที่ เลยย้อนหลังหรือคุยเรื่องอื่นไป ความสูง 14 15 ในช่วง 16 ความ 150 เม็ดแน่เป็นคน 4 คนมันก็ขึ้น คร, คร 3 คราว แล้วถ้าเกิดหลวงพ่อจะบอกว่าที่ฉันพูดเนี่ยแล้ว 2 ครั้งแล้ว 2 ครั้งครั้งหลังนี่เธอคงจะเผลออีกหลวงพ่อทํายันคล้องคอไปให้ ก็เป็นอันว่าเขาก็หามาท่าน แล้วก็พามหาท่านท่านก็บอกว่าฉันบอกไปแล้วบอกอย่าถอดจะถอดจะขี้จะเหี้ยวมันไม่เป็นไรของเค้าฉันไม่มีเสื่อของเขาพระเจ้าของท่านไม่มีใครเคยเป็นมรดกมนต์บ้างทุกคนก็นั่งเงียบเพราะคําว่านะมนต์นี่ไม่เคยชอบ ไม่เคยมีเองคนเดียวที่สงสัยมากที่สุดแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นหมอรดน้ํามนต์ <c oughs> เขาบอกแก่ไม่ต้องว่ามีหน้าที่รถอย่างเดียวน้ําตมใหญ่พอไปถึงที่ตรงนั้นท่านก็บอกให้ว่าคนที่ <c oughs> กำลังคุยโอ้พอเดี๋ยวถ้าเราจะลดกําลังต่ําลงสมัยนั้นรถเร็วๆเข้ารถเร็วๆเข้าพอรัตนมนต์ ไส้ดิ้นไปอยากจะดิ้นไปงายดิ้นไปชั้นชานใหญ่ 1 เม็ดในที่สุดเกล็ดก็เริ่มมีแรงหนักขึ้นดิ้นหนักเมื่อฉีกเสื้อ เธอเป็นผีหัวหัวสองหัวนี่เพราะว่าไม่ทราบว่ามันเป็นขึ้นมาได้ยังไงอันนี้แล้วกันพอ เกิดเนี่ยข้างพักใหญ่น้ําตมใหญ่ๆอาตมาคนพูดเนี่ยรถไปประมาณสักครึ่งตมเธอ ในที่สุดขั้นสุดค่อยๆขยับตัวมันก็คนโบติลุกขึ้นมาพอเลยลาด มีคนมนุษย์คนหนุ่มๆเขาบอกบางทีมันจะเอาเอาเอามีดใส่ในอกในอกเสื้อมันก็<อ> แล้วก็เชือกท่องให้เส้นนึงเพราะอิงหนู <c oughs> เธอก็ไม่ยอม ครั้งแรกเค้าทําอะไร 2 ครั้งแต่ 3 นี่เล่นเนี่ยมีโตมีโตอยู่เค้าว่าคิดว่าก่อนบวชก็ไปอธิบายว่าขึ้นชื่อว่าคุณไสนี่เค้าเรียกว่าอัสยาสัต แต่พวกเราเป็นพุทธศาสน์พวกเราเป็นคนแก้เป็นคนช่วยเขาพ้นเป็นเรื่องของเขาพวกเราก็ต้องระวังหลังจากนั้นมาก็ถึงเวลาบวชเมื่อถึงเวลา เด็กๆอ่านได้เพราะเล่มใหญ่ๆเด็กๆคือนิพพานัสสะสติกิริยายะเอตังคาวังเเอกวะ <c oughs> อุประเภาเป็นในความว่าข้าพเจ้าขอรับภาคการเสวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งถึงพระนิพพานให้คิดว่า แต่แต่เมื่อว่าเธอไปถึงที่นั่นเธอจะรู้เองเกณฑ์ท่านก็แนะนําเรื่องกรรมฐานแล้วก็นําเข้าป่าช้าอยู่กับถ่อมเป็นคนแล้วก็ถ่อม 3 กระท่อมมันเดินก็หากันไม่ได้เรื่องความเป็นมาละเอียดน่ะถึงพระพานจะไม่พูดให้ฟังอย่าพูดเฉพาะเหตุเฉพาะที่น่าจะคุยกันในเมื่อไปเจริญกรรมฐานในป่าช้า ถ้าได้อ่านประวัติบรรณาการก่อนจะทราบว่าผู้พูดเนี่ยเป็นคนกลัวผีมากที่สุดเวลาเข้าในห้องกลางวัน งับกันกับผีแล้วก็มุ่งขึ้นมาว่าผีจะเข้าจะเลิกมุ่งเข้ามามีความกลัวมันขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ ถ้าผีหรือ 1 วารอบตัววาจะเข้า 1 วาไม่ได้ถ้า 1 วาเค้ายังไม่สามารถจะจับเราได้ไม่สามารถจะตีเราได้เพราะมันยื่น หายใจเข้านึกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นของ ก็ทําตามท่านเดินมั่งนั่งมั่งนอนมั่งยืนนั่งตามทราบใน ไฟแ Tamputi ก็ดับเวลานั้นยังไม่ <c oughs> แล้วตอนเช้ามหาเถรหลวงพะพานท่านบอกว่าเสียงที่เดินนั้นเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราช ก็ฉักยิ้มในใจทั้ง 3 คนต่างคนต่างยิ้มก็ต่างคนก็ต่างสัมผัสเสียงนั้นเหมือน สงบดงพระปานนแปลบอกว่าข้าพเจ้าขอรับพระกาสาวัฒน์มาเพื่อทําให้เจ้าถึงพระนิพพานเราต้องการนิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าถ้าทําถึงเมื่อไหร่จะพบเมื่อนั้นเวลานี้เรายังมองมาเห็นพูดไปก็ได้ นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยะสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนึกถึงหลวงพ่อปานนึกถึงหลวงพ่อเล็กนึกถึงหลวงพ่อจง ไผพระพุทธเจ้ามาสมัยที่ทรง ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกว่าจะตายขอได้ ภาวนาว่าพุทโธพุทโธบ้างคิดถึงพระนิพพานบ้างพุทโธบ้างว่าประชาก็เป็นที่เก็บผีไม่ใช่เราก็เป็น คิดไว้ก่อนคิดๆก็ตกจากที่สูงแล้วก็ยก เกิดมีอาการสว่างมากทั้งทั้งที่ แล้วก็มีคนนั่งไกลๆไกลๆแท้น่ะคนหนึ่งเป็นผู้ชายผิวดำร่างท่าโซ่ทรงตามปกติหมายความว่าทรงธรรมดาธรรมดาไม่อ้วนไม่อ้วนแล้ว สวยจริงๆจริงๆหิวเหลืองๆมากจีวรถึงก็เหลืองคล้ายสีทอง ไปอีกตอนนี้ลืมคนรักลืมสาวที่เคย แต่ก็ยังไม่แนะ ก็กราบเรียนบอกว่าต้องการนิพพานถามเท่าว่าถ้าเป็นใครถามบริเวณเวลานั้นมันไม่ใช่โกไผ่เนี่ยเวลาที่เห็นท่านมันเหมือนกับนั่ง ถามว่าท่านเป็นใครท่านถามว่าเธอนึกถึงใครล่ะขณะที่ภาวนานึกถึงใครตอนท้ายเนี่ยเคยบอกท่านบอกว่าก่อนที่ชีวิต ภัทรโพธิ์เย็นนั้นก็มีความเข้าใจถึง <c oughs> คือไม่ต้องกราบด้วยกายได้นึกกราบในใจไว้ แต่ว่าถ้านึกว่าอะไรภาพนี้จะปรากฏกับใจของเธอทันทีให้เธอจําภาพนี้ เขามีจริงมีทั้งเราเมื่อเราทําจริงตั้งใจจริงแต่ก็จะลืมนะอันดับแรกสังโยชน์ 3 อาการบรรดา 13 นาทีก็หมดสมบูรณ์ผลผลจง